จึงแหวกพงยาไปจนเจอพอเห็นเต็มตาเท่านั้นท่านพระครูน้ำตาซึมพระพุทธไสายาสสร้างจากปูนปั้นแตกร้าวชำรดสุดโมด้วยกรำแดดกรำฝนมาเป็นเวลานานก้มลงกราบมองดูพระพักที่แตกร้าวของหลวงพ่อพระพุทธไสายาสพลันจิตใต้สำนึกคลายได้ยินหลวงพ่อพระพุทธไสายาสพูดกับท่านพระครูว่า